คือพระจัวุฒิในนิวรณทั้งห้าผู้ออกไปได้บอไม่สงบให้เจ็บปวดเน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆใจกว่าลำคานนี่คือความใหม่เห็นความสงบความใหม่เห็นอัด ยินดีในเต็มใจม่เรื่มใสในการจัะทำของตัวจิตจึงพุ่งจึงฟุ่งมีความอยากมีความดิ้นรนปัดแกงไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราตั้งมัน่นทำการจริงจังสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นล้วตัดสัญญาอารมณ์ออกไปเกิขึ้นใหม่ล้วตัดอีก จนจิตละเอียดลงไปลงรวมเกิดความอศัศจรรย์แล้วความลังเลสงสยัยรี่เรียกว่าวิจิตรฉามันก็หายไปคนเขาจะพูดกันทั่วโลกว่าศาสนาผ่านมาระยะยาวนานผู้ประพฤ่ปฏิบัติอาจธรรมนั้นอย่าไปนึกฝั น, ว, นว่าจะ หมดไปจากที่เรลยอปัญหาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพื่อเป็นเนิกสัยเท่านั้นไม่ใช่อยากเป็นพระอารหัต์อรหันต์เหมือนสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องคนที่ไม่พเพิเพื่อปฏิบัติผู้ที่ศึกษาตำหลักตำลาก็ยจะมีความสงสัยลังเลใจเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็น ถ้าเราเห็นเราเป็นเพียงขันส ง, งบเท่านั้นเพงจิตของเราได้สัมผัสกับอัตชามเท่านั้นเราจะไม่มีการสงสัยจะสงสัยอะไรเราปฏิบัติเรายังเห็นอย่างเป็นอยู่อย่างนี้ทุกยังมีอยู่สมุทัยยังมีอยู่นีโหลดมั๊กมันก็ต้องมีเมื่อเราทํางานอยู่เรื่อยๆงานนั้นถึงใจ ยากยุ่งใหญ่โตขนาดไหนมันต้องสำเร็จพอเราทำแต่คนไม่ทำบนหว่างงานมันยากมันลำบากอยากจะให้งานมันเจ็จคนนั้นถึงงานนิดๆหน่อยๆนั่งบนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จให้มีการประเฤติปฏิบัติใจก็ทำนองเดียวกันให้ตั้งหน้าตั้งตา เระพูดปฏิบัติทรสมที่พระพุทธเจ้าสอนสุ่งถั่วไปจำได้และสาทยายข้องบนกันว่าทรรมเป็นอาการิโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นโอปณะยิโกนี่คือบทของทรรมธรรมะคุณมีหกบทนับแต่สวาก้าโตพระอาจารธรมโมทันทิติโกอาการิโก เลื่อยไปจนปัจจัดตังนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านต่ัตดไว้ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนบกท่องสมบูรณ์ถ้าผู้ประพปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้สันทิกผิกโกจะต้องเห็นในจิตในใจของตัวโดวยไม่ต้องไปถามคนอื่น โดยไม่ต้องให้คนอื่นบอกมันเห็นมันเป็นในจิตในใจความสงบของใจเป็นอย่างไรความตตดขาดของสัญญาอารมณ์เป็นอย่างไรจะต้องทราบจะต้องเข้าใจเพราะเราปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นการพิจิตรโกยนเองไปจาก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 ทางศาสนาก็ทำนองเดียวกันเจนเรียบบนอยากได้แต่ไม่ลงมือประพฤตปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจของตัวมันอยากคิดอยากคุุงอยากเกี่ยวอยากข้องกับอะไรกต่ปล่ อ, อยมันไปแล้วแต่สัญญาอารมณ์อะไรจะผ่านมาตะคุกทางนั้นคนแบบนั้นจะเรียนมากขนาดไหนก็ไม่เคยมี ความสงบของใจจะมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ไปสบคบเห็นความสงบจากสัญญาอารมณ์ไม่เคยบวะไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดตัวเองแล้วอยากจะหมดจิตเหล็กมันจะหมดไปได้อย่างไรพอเราไม่จํากัดในปฏิบัติตก่ยวความหมดจบของจิตของใจมันก็เกิดสงสัยอยู่เรื่อย แล้วก็กล่าวตูดูหมิน่นมาทำทำสอนกองผู้ได้เจ้านั้นหมดการหมดสมัยชื้อลาสมัยใครปลุกเปฏิบัติคนนั้นปลุ่มหลง ง, ง, ง, งมงายเขาจะต้องดูหมิ่นนินทาว่ากล่าวไปอย่างนี้พอเขาเห็นเรื่อนเกลียดปัญหาเป็นข้องหยีบข้องดียิ่งกว่าธรรมะแต่เขาเห็นธรรมะเป็นข้องหยีบข้องดีเ ข, ขากลลงมือปลุกเสกปฏิบัติ เต่เขาลงมือปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจจะไปดูถูกดินทาจิตเหรอเพราะธรรมะนั้นเป็นของดีของมีคุณค่าสำหรับใจของเขาถ้าหากจะคิดส่วนรวมทั่วโลกล่ะธรรมะนั้นก็เป็นเคื่อนคุ้มครองโลกให้สุขให้สงบได้เพราะผู้มีธรรมะในจิตในใจ ก็ไม่เบียดเบียนใครธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้ า, าสอนเอาไว้เป็นของดีมีคุณค่าในใจของล่าสมัยคิดดูแต่ศีนทุกข้อมันล่าสมัยไหมเราพิจารณาดูสิกฎหมายสมัยได้ก็ตามเยอะตั้งขึ้นเยอะ็บเลิกไปถอนไป อย่างในประเทศไทยของเรารัฐธรรมนูญก่แก้ไขไม่มีวันไม่มีเวลารัฐบาลนี้แก้ไขอย่างนั้นรัฐบาลนั้นแก้ไขอย่างนี้เพราะไม่มีตายาเหมือนพระพุทธเ จ, จา้าตร้างขึ้นแล้วก็ว่าไม่เหมาะสมควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้มี่สิ้นสีพระพุทธเ จ, จ้าสอนเอาไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีมา พ่อไหนล้าสมัยแล้วควรที่จะตั้งใหม่อย่างไรมีไหมนักตาฐทั่วไป <c oughs> ที่จะคิดแจกให้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่ามันล้าสมัยไม่มีอย่างป้านาตีบาตการผ่าการตีกันเบียดเบียนกันสมัยนั้นกับสมัยนี้มันก็ทำนองเดียวกันควรฆ่ากันเบียดเบียนกันนั้นมันสงบสุขไหม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 เราอยู่นี้ถ้าหาเป็นอย่างนั้นเจอกันเข้าก็มีตั้งแต่ข่ากันตีกันเราจะนั่งสงบสุขได้ไหมไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบสุขได้การรักของเขาเหมือนกันของใครก็มีสิทธิห์หงแหนไม่อยากแก้คนอื่นมารักมาขโมยมาปนมาจีเอาไปเมื่อ สมัยก่อนทางพุทธการากาับสมัยนี้ก็ทำนองเดียวกันคนถี่ทำอย่างนั้นกฎหมายจะมีหวงหา้าม้ะมีจับคุม้มถ้าห่วงเกินทำมาติดของคนอื่นกฎหมายก็ออกไปจากศีลถี่พระุทธใ้ชาทรงบัญญัติเอาไว้ถ้ารักษาศีลได้ดียังหากข้อแถวนี้โลกมันก็สงบไม่ขากันไม่ขโมยกันไม่ประพฤตินอก ลู่นอกทางเราอกนอกใจกันครอบครัวนั้นจะสุขจะสบายไหมเห็นลงในหน้าหน้าตู้จิ้มข้ากันตายยิงกันตายผุแขนคอตายต่างๆนั้นก็เพราะไม่มีขอบมีเขียดมีฝังมีฝาไม่มีศีลอยู่ในใจในใจของตัวนั่นเองมันจึงเป็นอย่างนั้นการโกหกปกลมก็ทำนองเดียวกัน ของหม่มีคุณข่าสาระว่ะเป็นของมีคุณข่าสาระของไหมดีว่ะเป็นของดิีของดีของฟรอมว่าเป็นของจริงถูกโกหกตกลมถูกหลอกลวงอย่างนี้แต่สมัยนั้นท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ถุศีนถูกขาดสินแต่สมัยนี้ก็ทำนองเดียวกันคนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่คนดีที่โลกจะนิยมชมชอ แต่จังหวัดศีล์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของสี่ยังคงส่งคงวาตลอดมาเยื่องการฝึกรักษาจิตก็ทำนองเดียวกันคนที่มีจิตหนักแน่นทำอะไรเอาจริงเอาจังเพืค่ความสำเร็จในการงานที่ตัวทำจี่ตัวต่องการโดยจิตตั้งมัน่นทำอะไรทำ ังเอาจริงเอาจังไม่หล่อแหละเลวไหลไม่หวานไหวเอ็นเอียงไปต่างๆเป็นคนที่หน้าเรื่อมใสถ้าอยู่ในโลกทำงานทั้งโลกคนทั่วโลกไหวใจเชื่อใจเรื่อมใสศรัทธาถ้าอยู่ในทางศาสนาก็มั่นคง ไม่วอกแวกนี่คือจิตมีสมาธิจิตหนักแน่เพราะถูกสัญญาอารมณ์อะไรเขา้าไม่เอาฐานให้มีแต่วันไว้บอกแวกอยู่มเสมอทําอันนี้ว่าอันนั้นดีกว่าโดิไปทําอันนั้นไปเห็นว่าอันนั้นมันยุง่งมันยากอันนั้นง่ายสบายเดิไปทําอันนี้อยู่ตลอดเวลา หรือชอบใจใครก็วิ่งไปตามคนนั้นไม่ชอบใจก็หอบเสือกลับเห็นคนใหม่น่ารักน่าชอบใจวิ่งไปอีกคนแบบนี้เขาถือว่าเป็นคนดีหรือคนเรวแต่พิจารณาดูพอจะทราบว่ า, าวหลักของศาสนานั้นมันลาสมัยที่ตรงไหนคนมีปัญญารอบคอบพิจารณาอะไรเข้าใจท่องแท้ชัดเจน ทำอะไรไม่ค่คยคิดถ้าดเรื่องของปัญญารอบพอบทุกสิ่งทุกอย่างไปในว่าปฏิบัติแก่คนและคนอื่นในวาปฏิบัติงานนอกหรืองานในคืองานใจของตัวคนอย่างนี้เป็นคนช่วยวหรือคนดีนี่คือหลักทั้งศาสนาทัานสอนไกลติขาซือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางศึกษา ทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าเห็นถ้าเป็นในจิตในใจแล้วจะต้องกราบต้องไหว้ต้องเคารพบูชาพระพุทธเจ้าว่าถ่านเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจริงๆมีพยานลึกซึ้งในใจคนเงาเงาสายตาสั่นเหมือนพวกเราทันเห็นเด็กพระไทยบริสุทธิ์ท่านเอ็นดูเมตตาสรรโลก จึงวางศาสนาเอาไว้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเรื่อมไถ่เพื่อจะปฏิบัติใจวายายใจท่องตัวตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนจึงมีความสงบมีความเยือกเยน็นมีความเซนฝุกสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ว่าจะทาโดยกายฝูดโดยวายใาหรือคิดโดยใจยอม และยอมปล่อยยอมวางด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเห็นจากชาัดเจนในจิตในใจไมกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าสียงใดที่ท่านแม่สอนให้บำเพ็ญสิ่งนั้นถึงจะฝ่าผืนจิตใจของตน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 ทำเราพูดเราคิดไปในทางที่ถูกที่ควรที่พระพุทธเจ้าแนสอนไว้แล้วปลาถทั่วไปจะไม่มีใครว่านินทาสีเตียนเพราะเราทําถูกแต่คนชั่วทั่วไปนั้นเอาแนนอนไม่ได้มันอาจตอนนี้นินทาก็เป็นได้ แต่ต้อตรวจตาคนที่มีปัญญามีธรรมะในตัวในตื่นเต้นในรูปในเสียงต่างๆเพราะท่านมีปัญญาตาเห็นรูปก็พิจารณารูปถ้ามันยินดีเกิดความอยากได้ร า, าคาตัณหาท่านก็พิจารณาให้เล็ดเข้าไปว่่รูปอันนี้มันมีมา ก, ก่อนแต่เรายังไม่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 ไม่ควรไม่เสกขอที่ควยินดีเป็นก้อนของทุกตัวของเราเป็นอย่างไรรูปที่เราเห็นเขาเขากวจะเป็นอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนแรงเรื่อยไฟโรกไทยจะกาะอาศัยเพราะเป็นที่อยู่ที่พักของโลกไทยเน้อรูปนั้นเป็นของปฏิกูลไม่เจ็บของเวทสดงดงาม เรามองดูด้วยตาในเด็พี่เจนาเอาสมมติมนิยมของโลกเขาว่ามันตกผิวว่าสวยว่ า, ววางามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ทายพี่ารณากันจริงจังมีอะไรเล่าในรูปนั้นนั้นเว่ารูปผู้หญิงเวลารูปผู้ชายมันเหมือนกันตกออกมาจากรูปไหลออกมาจากรูปมีอะไร เป็นของที่มีคุณค่าสาระให้ออกทวารใดก็เป็นของเน่าของเหม็นเป็นของปฏิกูลทั้งนะั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่รูปไปพักหาอาศัยจะต้องแหลมละสาสางอยู่เรื่อยไปเสื้อผ้าผี่นัง่งผี่นอนมันสงกระโปรกพะูมันส่งกระโปรงมันไหลออกไปลั่วออกไปจิตอะไรก็เน่าก่อเหม็นแล้วทําไม เราจึงปรักใครทาไมจึงเราจึงไปชอบใจของปฏิปูลอย่างนั้นนี่คือผู้มีอัตธรรมจะพิจารณาสอนใจผ่องตัวไม่ให้จิตข้องเสียงก็เหมือนกันขอสารเสวนเยินยอว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ตรวจตาพิจารณาใจผ่องตัวตต ว, ว่ามันถูกตามคําเขาสารเสวนหรือไม่ถ้าหากมันไม่ถูกก็ไม่ควรที่จะตื่นเต้นไม่ควรที่จะดีใจ เขาตำหนี้นิ้นทาเหมือนกันมันฉวมันเสียไปหรือไม่ถ้าหากมันไม่เฉ่วไม่เสียตามทำจีบเขาพูดเราตกจะไม่เสียใจทำาม น, นี่คือพูดมีอาจมีทามีความสงบมีความสุ ข, าสขทางใจเพราะปากคนทานนั้นมันสามารถสรรเสริญได้ถ้าช่างที่ของนั้นเน่าเหม็นทา่ทางที่ของนั้นเป็นโทษ มันก่อสรรและเสวนได้ถึงของนั้นจะดีมีคุณค่าขนาดไหนแต่ไม่มีอะไรเสียหายมันก็ลินทาได้อีกเหมือนกันฝากขวกควรจึงเอาจึงเอาจังเอาแนวอานอนไม่ได้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาพิจรารณาเด้วยจิตเป็นธรรมะจิตของเราจะไม่ตืนเส้นจะมีความสงบเย็นตลอดเวลาเพราะคําสัรและเสวน นินทานั้นเป็นโลกกับธรรมคนเกิดมาในโลกจะต้องโดนไม่ว่าแต่งเสราห์พระพุทธเจ้าก็ยังโดนแั่นจิงวันนัตถิโลเก อ, อนันทิโตกคนในถูกนินทาไมนมีในโลกจะต้องถูกนินทาถึงดีวิเศษขนาดไหนอย่างเราแต่ฐาคตเขาก็ยังนินทาได้ถ้านท่าจิตถ้าองค์มาใลยต้งทำสิ่งที่ชั่ว พูดจริงที่ชั่วคิดจริงที่ชั่วอะไรทำอะไรไปเพื่อสาโลกให้ได้รับความบงบเย็นเป็นสุขมีพระเมตตากรุณาุมิตาอุเบกขาในพระ อ, องค์อยู่ตลอดเวลาแต่คนทานมันก็ยังนำไปนินทาดีเยียนได้เราทั่วไปก็ทำนองเดียวกันเพราะนั้นทุกคน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 แล้มันจะไปทำไปพูดไปคิดทำมือยเพราะเราไม่ต้องการความชั่วสิ่งใดมันดีสิ่งนั้นมันจะต้องยึดต้องถือเอาไว้ต้องรักษาเอาไว้นี่คือใจที่มีอาตมีธรรมใจใหมมีอัตมีธรรมมันจะคุกไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามารักษามาภาวนามาท <c oughs> ำลาใจก็ให้รักษา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 เราก็ต้องรักษาถ้าเห็นว่าจิตใจของเราไมามีคุณธาอะไรจะปล่อยมันไปตามเรื่องอารมณ์สัญญากมดแล้วแต่แต่อย่าบ่นว่ามันทุกข์มันอยู่มันลำบากลำคางมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้บน่นคนที่ไม่มีอาจมีทามันจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาคนมีอาจมีทาถ่าจริงสุข จึงสบายอยู่ในโลกเหมือนกันเกิดตายเหมือนกันแต่ท่านมีความสุขภายในเพราอใจของท่านรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงตามสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรงเน่สอนเอาไว้นี่พวกเราท่านมองข้ามบนแต่ทุกแต่ยากแต่ลำบากลำคาญแต่ไม่เคยรักษาไม่เคยปฏิบัติใจของตัวและจะให้มันสุมันสงบมาจากที่ไหน สองรักษาใจนี่เรามาบวกเป็นท่าเป็นเนนก็ดีมาประพฤตปฏิบัติเฉืระยะเวลาสั้นๆก็ดีก็เพื่อหาความสงบของจิตของใจความสุขของจิตของใจอย่าไปหาที่ใหม่ที่อื่นให้หาอยู่ในจิตในใจของตัวจินใจเห็นเพราะฉัวดีมันมีอยู่นี้กิเลสมันมีอยู่นี้ ไปชำระที่อื่นมันชำระชำระไม่ออกแต่บำเพ็ญที่อื่นมันบำเพ็ญไม่ขึ้นต้องบำเพ็ญในจิตในใจป้องตัวการภาวนาการรักษาจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มุ่งความสุขความสงบจะต้องแต่ทำบาเพ็ญไม่ใช่ว่า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 คนเดินคือเราพระพุทธเจ้าเป็นแหนทัวปรุงอาหารพระพุทธเจ้าเป็นหมอที่ทำยาขึ้นไว้เพื่อจะให้คนไข้คนเจี่ยวได้ไปรับทานเพื่อแก้ไขให้โรคไข้ที่เบียดเบียนกายใจให้หายถ้าหากคนไข้ไม่สนใจกับยาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะหายป่วย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 คำสอนของพรดพดทเจ้าทุกคนก็จะเห็นผลคือความสงบสุขแต่นั้นพวกเราท่านที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างคนต่างมุ่งมั่นมาปฏิบัติเกิอความสุขความเจริญของใจการงานด้านอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเกี่ยว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 การเห็นการเป็นของตัวเองนี่คือผู้ประกอบพืชปฏิบัติไม่ใช่คนอื่นจะไปประพอบพชปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดมูลค่าอะไรที่มาเนี่ยสอนสรรโลกผู้ประกอบพืชปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นเห็นรู้ในอนัดในธทมแล้วก็ไม่มีทางแดด ส, ส่องใสสามารถฝนยึดทานหมดไปตามลมปากของคนทานหรือไม่ ื อ, อยังคงเต้นคงวาอยู่เราจะรู้จะเข้าใจคนอื่นเข้าไปร่วนสายเข้าไปไปฏิปักษ์เขาจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวขอให้เราเพื่อปฏิบัตษจิตใจของเราพ้นไปจากทุกโทษที่ไม่ปาถนาทเท่านี้ก็พอแล้วเราสงบคนเดียวโลกสงบเราคนคนเดียวก็เป็นพอ เอาตัวรอดเป็นยอดดีต่างหนา้าต่างตาทีนี้ที่จ้นาศึกษาต่างหนา้าต่างตาเพื่อปฏิบัติความสุขความเจริญกิจีข้องใจนั้นของเราผ่านมีสิทธิทจะเห็นแต่เป็นดดวยกันทุกคนดัง น, นั้นการมาพักวัดวาปฏิบัติกายวาจาใจา ขอทุกคนจงต่างหน้าต่างตาทจิตวเจัานะธรรมะจริงจังความสุขความเจริญี่เราต้องการไปเกิดเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะยังว่าพอต้องควรเก็บเวลาเพราะยุติเรียงแค่นี้